อัตมภาพคิดว่าทุกวันนี้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ใช้ปัญญามากแต่ใช้สติน้อยก็อยากให้เราท่านทั้งหลายถ้าใช้ปัญญาก็ขอให้ใช้สติถ้าเราใช้สติเนี่ยเราจะไม่ลําบากมากหรอกการเมืองไทยของเราเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สังคมไทยปันป่นป่วนมาจนทุกวันนี้ก็เพราะว่านักการเมืองของเราใช้ปัญญามากแต่ขาดสติในการบริหารในการทํางาน ถ้าเราสติมาใช้ร่วมกับปัญญาเราจะประสบความสําเร็จทั้งในแง่ส่วนตัวในแง่าการทํางานในแง่าการบริหารคนแต่ก่อนเวลาท่านพูดถึงปัญญาท่านจะไม่พูดถึงปัญญาล้ล้วนท่านจะใช้คําว่าสติปัญญาสติปัญญาก็หมายความว่าฉเฉลียวฉลาดหรือฉลาดฉเฉลียวจะใช้ชีวิตจะทําอะไรก็ตามขอให้ดรเลึกแก่งคําว่าฉลาดฉเฉลียวให้ดีฉลาดแต่ขาดฉเฉลียวเดี๋ยวก็ทําผิด มีแต่เฉลียวแต่ไม่ฉลาดก็จะกลายเป็นคนที่ทื่อมาลือ้อตัดสินใจอะไรก็ไม่เป็นฉะนั้นในโลกของการใช้ชีวิตที่เต็มไปได้วยความยุ่งเหยิงทุกวันนี้จะทําอะไรก็ตามจะคิดอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตามขอให้ใช้สติคู่กับปัญญาเสมอการที่จะใช้สติคู่กับปัญญาให้เกิดผลสูงสุดทํำยังไงมีวิธีฝึกง่ายๆนั้นก็คือจงระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นการกระทําจงระวังการกระทําเพราะว่าทําบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัย จงระวังนิสัยเพราะนิสัยที่ตกฝึกแล้วจะกลายเป็นบุคลิกจงระวังบุคลิกเพราะถึงที่สุดแล้วบุคลิกจะกำหนดชะตากรรมของเราทั้งชีวิตจำคำเหล่านี้เอาไว้แล้วไปฝึกทำตามนี้ดูสติปัญญาจะเกิดเพิ่มพูนขึ้นทุกวันขอเจริญพร